แถวนี้ผีดุห้องพักในโรงงานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจเฟซบุ๊กแถวนี้ผีดุเรื่องทั้งหมดมีดังนี้ครับสวัสดีเราชื่อเจี๊ยบเป็นวิศวรกรสาวอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งเรื่องที่เจี๊ยบจะเล่าเป็นสิ่งที่ถ้าคนไม่เจอเองคงไม่เข้าใจว่า ความกลัวเป็นอย่างไรวันนั้นฝนเทตกหนักตั้งแต่เช้าเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุที่เจี๊ยบเข้าไปทํางานโรงงานใหม่เป็นวันแรกที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมน้ําท่วมทางเข้าโรงงานแม้แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างยังไม่ยอมเข้าไปส่งถึงหน้าโรงงานเจี๊ยบบ่นพึมพำกับตัวเองวันนี้มันวันอะไรเนี่ยเราคิดถูกหรือผิดที่เลือกมาทํางานที่นี่อยู่ในเมืองก็จริงแต่ทางเข้านี่ยังกะหลังเขา แตก็ดีกว่าตก ง, งานมากกว่าเดือนทำํำไปก่อนแล้วกันชีวิตเฮ้ยโดยจะเป็นรางบอกเหตุโดยที่เธอเองก็ยังไม่รู้ตัวเมื่อถึงโรงงานเจี๊ยบได้สนทนากับผู้จัด ก, การโรงงานแล้วก็ได้เดินดูโรงงานในแต่ละแผนกแล้วก็ต้องผ่านบ้านพักพนัก ง, งานที่สร้างขึ้นแบบเป็นบ้านพักชั่วคราวเรียงกันจํานวนสิบกว่าห้องดูเงียบจังว้ทําไมมํงเวงบอกไม่ถูกต้องมีอะไรแน่เลยห้องพักเนี้ยโดยเฉพาะห้องที่สาม เชียรรู้สึกได้เลยว่าเจ้าที่น่าจะแรงมากนี่แค่ขนาดคิดนะเนี่ยคนลุกไปยันหนังหัวเลยแล้วก็ได้ยินเสียงผู้จัดการบอกว่าเข้ามาพักได้นะผนจะจัดห้องที่สาไม่ห้ยแต่ห้องนี้มีพี่ตาซึ่งมีลูกติดจากสา ม, มีคนเดิมพักอยู่แล้วแต่ตอนนี้พี่ก็โสดอยู่ด้วยกันได้เลยสาวโสดทั้งคู่นั่นเอาละไงแต่ว่าไปแล้วมีคนอยู่ได้แสดงว่าไม่มีอะไรคิดบ้าไปเองแน่ๆเลยแต่หลังๆมันเนี่ยจิกเซนเรามันเหมือนจะเริ่มชัดหรือเราจะบ้าไปเอง เจี๊บคิดในใจอยู่ก็ดีนะเหมือนตอนสมัยเรียนที่อยู่หอในมหาวิทยาลัยสบายเดินทางไปเรียนแค่5นาทีเดินไปได้ตื่นสายได้เอาเอาเอาจึงตอบตกลงกัอทางผู้จัด ก, การไปเรียบร้อยโดยหารู้ไม่ว่าผู้จัด ก, การมีแผนในใจต้องการให้เทียบเข้าไปอยู่เพื่อกันหลานชายตัวเองไม่ให้ไปปัวพันกับพี่ตาที่ผ่านการมีสามีมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนพี่ตาทักมา สวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบนี่กุญแจห้องพี่สำรองไว้ให้แล้วนะคะตามสบายเลยเจี๊ยบสังเกตว่าตั้งแต่เข้าห้องมานี่ขนหัวลุกตลอดโดยเฉพาะตรงกลางห้องจึงทําการแผ่ไมตาและกล่าวออกไปว่าอนุโมทนาบุญได้นะแต่อย่าให้เห็นไม่งั้นแช่ไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้วไฟที่ห้องก็ดับทันทีแต่ยังโชคดีคืนนี้นอนสองคนเจี๊ยบหันไปมองพี่ตาที่ไฟดับและพี่ตาก็หันมายิ้มแต่สิ่งที่เจี๊ยบขนลุกคือ เห็นเงาดำๆอยู่ข้างๆชิดสนดิทพี่ตามากๆอะไรเนี่ยรุ่งเช้าทุกคนมีแต่ถามว่าเป็นไงนอนสบายไหมด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นกว่าปกติเจี๊ยบรู้ขึ้นมาทันทีว่าห้องนี้ไม่ปกติแล้วจึงได้แอบถามพนัก ง, งานถึงความเป็นมาของห้องพร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังฟังนะพี่เจี๊ยบผมจะเล่าให้ฟังแต่พี่ต้องเลี้ยงน้อาอัดลผมหนึ่งขวดแลกกับข้อมูลห้องพักหลังนี้ ห้องเนี้ยมีคนตายแฟนพี่ตาเขาเองละ่ะเขาแอบเข้าไปพบกันแต่แล้วฝ่ายชายหัวใจวายตายเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วเองนี่หน้าว่าและเชียวทำไมเราสามารถเห็นเงาดำๆได้และก็สัมผัสได้แต่แรกกรรมแล้วไงสัมผัสเราคงจะไม่ชัดไปกว่านี้นะเจี๊ยบคิดแต่เจี๊ยบก็เชื่อผลบุญที่ตัวเองทํามาสามารถที่จะโมทนาได้และส่งจิตแผลอุทิศส่วนกุศลเป็นอารมณ์เดียวให้แก่คนที่ตายในห้องนั้นคืนวันที่สอง คืนวันที่3และตลอดเวลา6เดือนเจียบไม่เจอเหตุการณ์อะไรในห้องนี้อีกเลยแต่ตัวเทียบเองเหมือนจะมีสัมผัสที่ชัดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เห็นผีคือทุกเสาร์อาทิตย์เจียบจะต้องไปเรียนเพื่อเอาวิทยาญาโทรเพิ่มเติมทุกครั้งที่เธอต้องเดินทางออกนอกโรงงานจะมีน้องเอเป็นคนงานที่แอบมีใจให้เจียบจะคอยไปรับไปส่งทุกเสาร์อาทิตย์ขณะที่เทียบต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์น้องคนนี้ไปปากซอยเธอจะมองหลังน้องเขาและจะรู้สึกว่าน้องคนนี้ เหมือนจะมีเรื่องร้ายที่ต้องถึงชีวิตกันได้เลยทีเดียวในเวลาอันใกล้แล้วเหตุการณ์ที่เป็นรางสังหรณก็เป็นตามที่เทียบสัมผัสได้น้องเอออกไปทํางานไซงานที่ต่างจังหวัดและถูกไฟดูดตายและเหตุการณ์ต่อไปนี้ยิ่งย้าถึงสัมผัสของเทียบมากขึ้นวันนั้นเทียบกลับจากเรียนต้องไปยืนรอรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยเวลานี้เริ่มมืดแล้วเป็นเวลาหกโมงเย็น สองข้างทางเป็นกองขยับและป่าหญ้ารกร้างซึ่งเอจะเป็นคนมารับเจียบทุกวันอาทิตย์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเชียบไม่กล้าเหลียวมองไปในตำแหน่งที่น้องเอชอบมารอารับเธอแต่ถึงแม้ไม่มองเธอก็เห็นในจิตเธอมองเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดรอแล้วเห็นหน้าเอหน้าคล้ำหมองเศร้าเชียบกลั้นใจบอกกับเอว่าเอเธอตายไปแล้วนะไม่ต้องมารับแล้วก็บน่นวันนี้มันวันอะไรนะทําไมมอเตอร์ไซค์ไม่ผ่านมาสักคัน ในใจเจี๊ยบรู้สึกกระวนกระวายด้วยสาเหตุใดไม่ทราบที่ทําให้เธออยากจะออกไปจากจุดนี้เร็วๆคงเป็นเพราะเธอมีซิกเซ้นต์ต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ถึงนาทีเกิดรถชนเด็กต่อหน้าเธอสภาพเด็กน่าสยดสยองมากคือกระโหลกเปิดครึ่งหัวสมองไหลออกมาเด็กน้อยมองมาที่เจี๊ยบแล้วตายตาค้า ง, งถึงแม้เด็กจะตายไปแล้วแต่เจี๊ยบเหมือนเห็นภาพซ้อนเด็กน้อยนั่งร้องไห้และมองยืนมาทางเจี๊ยบ พี่จ๋าอุ้มหนูหน่อยหนูเจ็บพร้อมกับเอามือไปจับหัวพี่จ๋าหนูเจ็บพี่จ๋าหนูเจ็บแม่แม่อยู่ไหนเจี๊ยบรีบหันหน้าหนีไปจากตำแหน่งนี้แต่ก็หันไปเห็นเอเดินมาใกล้ๆด้วยท่าทีที่เศร้าและคอตกใจของเจี๊ยบเต้นไม่เป็นจังหวะภาพของเอชัดมากคอจมูกปากผิวดำจากการถูกไฟช็อตและกลิ่นแหนไหมโชคดีที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาพอดีเจี๊ยบรีบขึ้นรถและเข้าไปโรงงานทันที เมื่อถึงโรงงานเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นเธอกลับไปยังห้องของเธอแต่ว่าพี่ตาย้ายของออกจากห้องไปทั้งหมดและข้างห้องพักก็บอกว่าผู้จัด ก, การโรงงานไล่พี่ตาออกจากห้องเพราะเอาผู้ชายมาในห้องโดยที่ไม่เกรงใจว่ามีเจี๊ยบอยู่ด้วยเลยให้ออกจากโรงงานโดยจวนที่จริงแล้วผู้จัด ก, การโรงงานโมโหที่หลานชายแอบเข้าห้องพี่ตาทั้งที่เอาเจี๊ยบมาอยู่กันไว้แต่ไม่ได้ผลเจี๊ยบงงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอในวันนี้คืนนี้ต้องอยู่คนเดียวแล้วสิ ด้วยความเหนื่อยเจี๊ยบเรียบเข้านอนอย่างรวดเร็วบรรยากาศในห้องเปลี่ยนปเป็ยนเย็นยะเยือกแบบไม่ธรรมดาเธอขนลุกตั้งแต่แขนยันต้นขาพยายามข่มตาหลับในทันใดนั้นได้ยินเสียงเดินเธอจึงหันไปมองดูภาพที่ปรากฏเธอเห็นเท้าใหญ่ของผู้ชายใส่แค่ผ้าเช็ตัวครึ่งตัวเจี๊ยบไม่กล้ามองหน้าเท้านั้นเดินมานอนที่กลางห้องเย็บตกใจสุดขีดหลับตาไม่กล้าเดินไปเปิดไฟ แล้วเสียงผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆเสียงเพลงเริ่มใกล้เข้ามาที่ตัวเธอและมานั่งใกล้เธอตอนนี้เจี๊ยบส่วนบุนไม่เป็นบทบุญที่ทํามาก็นึกไม่ออกหลังๆเธอไม่ค่อยได้ทําบุญเนื่องจากงานยุ่งๆแล้วคอเสื้อเธอก็ถูกกระช่าขึ้นมาเจี๊ยบกรีดร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงไม่กล้าเปิดตาดูแขนขยับไม่ได้ถึงแม้จะหลับตาแต่ทำํำไมเจี๊ยบยังสามารถเห็นหน้าชายคนนี้ได้ชัดเห็นแขนขา เขาเอาน่ามันแนบเธอแววตาดุ ด, ดันดวงตาปลิ้นออกมาจากเบ้าตาเลือดสีแดงสดค่อยๆไหลออกมาจากตาสองคู่นั้นพร้อมกับพูดด้วยเสียงกระโชกหกห้ามึงมาอยู่ที่ห้องนี้ทำไมมึงไม่รู้หรอกว่ามาเบียดเบียนพี่ตาเขามีลูกแล้วทําไมไม่ปล่อยห้องให้เขาอยู่กับลูกเขากูจะฆ่ามึงหลังจากพูดจบชายผนนั้นก็เอาเหล็กแหลมมากระทุ้งที่ท้องของเทียบอย่างไม่ยัง้งเทียบเหมือนคนชอ็อกรู้สึกเหมือนจุกที่ท้องนอนนิ่งอยู่ในห้อง ที่ได้ยินแต่เสียงพัดลมดังเบาๆและเจี๊ยบก็เห็นภาพชายหญิงที่แอบมาพบกันในห้องหลังนี้เป็นความรักที่หวานมากเหมือนดูละครย้อนอดีตเจี๊ยบนอนในห้องคนเดียวไม่กล้าไม่แต่จะเปิดไฟอดทนจะถึงเช้าจำได้ว่าเช้าวันนี้เป็นวันทำบุญโรงงานเจี๊ยกตั้งใจจะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเอเด็กที่ถูกรถชนและชายที่อยู่ในห้องนี้เจี๊ยกรีบออกจากห้องตั้งแต่ตี5เมื่อเปิดประตูห้องเห็นตรงประตูทางเข้าโรง ง, งานกอดสารพระภูมิ มีเด็กน้อยหัวเปิดจนเห็นสมองย้อยออกมาจากหัวจากการตายด้วยอุบัติเหตุมาร้องไห้ที่ประตูเข้าโรงงานเห็นเอนั่งหน้าเศร้าคอตกอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ในห้องของเธอมีชายนุ่งผ้าชุตัวนั่งอยู่กลางห้องเจีย๊ยบไปรอที่โรงงานในสถานที่จัดเตรียมที่นั่งไว้ทำบุญมีคนทำกบข้าวรอถาวายพระและเลี้ยงคนงานเจียบหน้าตาซีดไม่ทักใครเลยและนั่งมุมนึงของเสือที่เขาปูวไว้เจียบเห็นเอชัดมากเอยิ้มสดใสม า, มานั่งข้างเธอ พนักงานในโรงงานทยอยเดินมาทําบุญบางคนเอาแกงมาร่วมบางคนก็มีชุดถวายสังฆทานรุ่นน้องเดินเข้ามาทักเจีย๊ยบพิเชียไปทําอะไรมาสภาพเหมือนโดนผีหลอกมาทั้งคืนเลยพี่มีอะไรดีๆเล่ามาให้ฟังหน่อยได้เล่นเด็ดไหมเจี๊ยบยัยงหันไปตอบทั้งคืนเลยน้องแล้วรุ่นน้องก็ตอบว่าแล้วพี่ขอหวยมาด้วยหรือเปล่าขอเองดินั่งข้างๆที่เนี่ยเจี๊ยบบอกจเจ้าข้างซ้ายหรือขวาซ้ายเออเพื่อนเราส่วนข้างขวาก็คนที่เองเล่าว่าตายในห้องอ่ะอยากรู้ถามเอา เฮ้ยพ <Hey>, ผมไปนะพี่ดูแขนผมึกคนลุกอะเป็นที่น่าแปลกที่ทั้งวันนั้นไม่มีใครมานั่งข้างเจี๊ยบเลยเว้นไว้ทั้งสองที่ซ้ายขวาจังหวะนั้นหลวงพ่อมาถึงพอดีจึงเดินมุ่งตรงมหาหาที่เจี๊ยบก่อนจะถามว่าเจอทั้งคืนเลยเหรอลูกก็แค่มาบอกว่าชีวิตคนเราอย่าได้เบียดเบียนใครถึงแม้เราไม่บอกแต่ผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้วันนี้ทําบุญก็กําหนดจิตถวายพระพุทธเจ้าและกําหนดจิตอุทิศส่วนกุศลให้เขาซะนะลูก หลวงพ่อบอกเจีย๊ยบเจีย๊ยบก้มลงกราบหลวงพ่อลูกไม่อยากรับรู้หรือสัมผัสอะไรแบบนี้เลยค่ะจะสามารถปิดไม่รับรู้ได้ไหมเจ้าคะเจี๊ยบถามขึ้นได้สิแค่เราไม่ต้องสนใจหลวงพ่อตอบหลังจากวันนั้นเจีย๊ยบก็ทําตามหลวงพ่อบอกทุกประการจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายเดือนเจีย๊ยบก็ยังคงผ่านซอยแยกเข้าโรงงานและมักจะทักทายอะไรบางอย่างพร้อมยิ้มนิดนิดบางทีเธอก็หลุดพูดกับตัวเองเรียกเอบ่อยๆ หรือเรียกที่คมเข้มเวลาที่อยู่คนเดียวในห้องพักโรงงานเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ประสบการณ์ของคุณเจี๊ยบเป็นเรื่องที่จะยองมากเลยนะครับหากใครไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้ถึงความน่ากลัวหรอกอยากให้ทุกท่านทำบุญกันเยอะๆนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆด้วยหากคุณชอบเรื่องนี้ กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ